าการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจให้ดีกว่าเก่าได้เราจำเป็นจะต้องมีทำเครื่องบังคับให้เรากระทำถ้าเราไม่มีอะไรมาบังคับใจเราใจเรามักจะทำตามอารมณ์ซึ่งอารมณ์ส่วนใหญ่ของพวกเรา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 ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้อยู่ในใจแล้วเราจะสามารถควบคุมใจของเราให้กระทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทากันได้อย่างง่ายดายดังนั้นเราต้องพยายามสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ขึ้นมาให้ได้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 ที่สุดของความทุกข์นั้นอยู่ทิศทางใดอยู่พิกัดใดนั่นเองพวกเรามีวาสนามีโชคที่เราได้พบพิกัดและจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงได้ค้นพบพิกัดที่จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจ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 แปดสิบเออเก้าสิบนี่คือความแตกต่างของจิตใจของพวกเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาและแยกยะเป็นบัหสี่เราพวกที่อยู่ที่ศูนย์พวกที่อยู่ที่ยี่สิบสี่สิบหกสิบตามลำดับไปดังนั้นผู้ที่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 ให้ถอยห่างออกจากมรซีผลซีนิพานหนึ่งเมื่อเราได้ตั้งสัจได้ตั้งอธิษฐานแล้วเราก็ต้องผูกอธิษฐานความตั้งใจนี้ไม่ให้ล้มเหลวด้วยสัจจะคือความจริงใจเอาจริงเอาจังพอตั้งอะไรแล้วจะต้องทำตามที่ตั้งไว้ให้ได้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 วันที่พระองค์จะทรงตัดเจรุพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณวันที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าต่อไปนี้จะนั่งา ภ, ภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาตรงที่ต้นโพ น, นี้ไปจนกว่าจะได้บรรลุธรรม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 ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างล้มลุกคุกคลานทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างถ้า อ, อย่างนี้แล้วมันก็ยากต่อการที่จะได้ผลที่ต้องการกันแต่ถ้ามีอธิษฐานมีอัศจะ ท, ที่แน่แน่ตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ วันนี้จะทำทานมากน้อยเพียงไรก็ต้องทำให้ได้จะรักษาศีลกี่ข้อก็ต้องรักษาให้ได้จะภาวนากี่ชั่วโมงก็ต้องภาวนาให้ได้นี่คืออธิษฐานละสัจจะพอเรามีอธิษฐานสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะตามมาเพราะว่าผลจะเกิดขึ้นได้นั้นก็เกิดจากการปฏิบัติ เกิดจากความภาคเพียนนี้เองเพียนมากเพียนน้อยผลก็เกิดช้าหรือเกิดเร็วเกิดมากเกิดน้อยนี่อยู่ที่วิริยะอยู่ที่ความอุตสาหะภาคเพียนมีอธิฐานมีสัจจะแล้วพอเวลาทําความเพียนก็ทำมันนิดเดียวทำไม่ไม่ให้มันเสียเสียสัจจะไม่ให้เสียอธิฐานแทนที่จะทำให้เต็มร้อยก็ทำมันเพียง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 สร้างเหตุที่จะทำให้ใจเราได้ผลจากการบำเพ็ญสมถะภาวนาเหตุที่เราต้องมีก็คือสตินี่เองเราต้องเจริญสติซึ่งเป็นการกระทำที่ยากมากสำหรับพวกเราสำหรับใจของพวกเราที่ไม่เคยถูกควบคุมบังคับที่เคยถูกปล่อยให้ ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ความคิดรุงแต่งต่างๆพอถูกบังคับให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรืรอการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายในทุกิริยาบทก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดเราก็ต้องมีคุณธรรมข้อที่สี่ก็คือขันติ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 บังคับให้ใช้มือซ้ายนี้มันจะไม่ถนัดและมันจะรู้สึกยากลำบากแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำเพราะการปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความรู้สึกนึกคิดนี้จะไม่ทำให้ใจสงบจะไม่ทำให้ใจเป็นหนึ่งจะไม่ทำให้ใจมีความสุขที่จะมาใช้ต่อสู้ กับความอยากต่างๆได้ดังนั้นเวลาที่เราต้องเจริญสติเราต้องใช้ขันติความอดทนใช้วิรยะอุตสาหะความภาคเพียรใช้อธิษฐานสัจจะคอยควบคุมให้เจริญสติให้ได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นสัมปชัญญาคือมีสติตลอดเวลาไม่เผลอไปคิดปรงแต่ง กับเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือจะอยู่กับ ก, บการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายในทุกอิเลียบทถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เช่นอยู่กับพุทธโธได้อยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้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 ความอยากในรูกเสียงเก่งลดโพดสภาที่เรียกว่ากามะตัญหาพระองค์ก็ทรงฝืนไม่ทําตามกามะตัญหาวิภาระตัญหาภาวะตัญ ห, หาคือความอยากมีอยากเป็นพระองค์ก็ทรงฝืนไม่กระทําวิภวะตัญหาก็ทรงฝืนไม่กระทําตามความอยากพอไม่กระทําไปเรื่อยๆความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปตามลําดับ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 ตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ต่างหากเนี่ยอันนี้คือความจริงที่เรียกว่าปัญญาที่เราสามารถพิจารณาและแยกแยะออกให้เห็นได้ว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยกันแนะ่พวกเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเหมือนกับกลัวเสือแต่ความจริงมันเป็นเสือที่ไม่กัดเนี่ย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 ท่านไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายเพราะท่านเจอเสือที่แท้จริงและได้ฆ่ามันท่านรู้ว่าไอ้เสือตัวนี้ก็คือวิภวะตันหานี่เองไอ้ตัวที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะมันไม่มองความจริงมองแต่ความหลงคิดไปตามความหลงนักอะไรแล้วก็ต้องให้มันอยู่กับเราไปตลอด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 มันยังไม่ได้เป็นของจริงมันยังดับความทุกข์ไม่ได้มันยังฆ่าเสือไม่ได้ต้องรอให้เสือมาจริงจริงก่อนต้องรองรให้เกิดวิพาทตัณหาขึ้นมาจริงจริงการที่จะเกิดวิพาทตัณหาขึ้นมาก็ต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายอย่างจริงจริงแล้วดูซิว่าจะทาใจได้หรือเปล่าทาใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่า ถ้าทำได้ก็แสดงว่าเราได้ข้าเสือตัวที่มาคอยกัดกินใจของเรานี่คือเรื่องของวิปัสสนาที่จะต้องเอามาใชในการฆ่าเสือทั้งสามตัวนี้เสือคือกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในกามเช่นอยากจะเสพกาม อยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเห็นเขาสวยเห็นเขารอเห็นแล้วเกิดอารมณ์กำหนัดยินดีถ้าไม่ได้เสพแล้วมันงดเย็ดกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าได้เสพแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสพใหม่เหมือนกับยาเสพติดที่เวลาอยากขึ้นมา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 คนที่อยู่ด้วยกันต้องนอนหลับด้วยกันนี่เราถือศีลแปดดูไปสักพักหนึ่งดูเสว่าเสือมันจะออกมาหรือไม่ออกมาอ่มันต้องรอมันต้องสร้างภาวะให้ให้เกิดความอยากขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่สร้างภาวะให้เกิดความอยากคือเวลาเกิดความอยากก็รีบทำตามความอยากความอยากนั่นก็หายไปเวลามันอยากแล้วเราอยากไปตอบสนองความอยาก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 เพราะตอนนั้นน้ำมันยังไม่ร้อนมันก็เป็นเหมือนน้ำแต่สักครู่เดียวถ่านั้นหละน้ามันที่มันเย็นนั้นมันร้อนขึ้นมามันก็เกิดการประทุทำให้เกิดไฟลุกขึ้นเป็นกองใหญ่กว่าเก่านี่คือการดับไฟด้วยการดับความอยากด้วยการทำตามความอยากพออยากวับก็ทาตามความอยากวับความทุกข์นั้นก็หายไปแต่หายไปไม่นาน เดี๋ยวมันกับเกิดความอยากที่ใหญ่โตกว่าเดิมต้องการมากกว่าเดิมเคยได้แค่นี้ขาวหน้าอยากจะได้สองเท่าของขาวที่แล้วนี่คือลักษณะของความอยากของการดับความทุกข์ด้วยการทำตามความอยากมันจะทำให้ความทุกข์นี้รุนแรงขึ้นความอยากรุนแรงขึ้นไม่ใช่ให้เบาให้น้อยลงไป ถ้าจะให้เบาให้น้อยลงต้องทำแบบพระพุทธเจ้าคือต้องไม่ทำตามความอยากต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วใช้สมถะ ภ, ภาวนาใช้ความสงบมาคอยหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ให้ทุกข์ทรมานไปกับความอยากต่างๆพ อ, อฝืนได้แล้วครั้งต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนลงเบาลงไป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 เพราะสิ่งที่จะมาทำให้เสื่อมให้หมดนั้นมันไม่มีคือการเกิดความอยากขึ้นมาและการเผลสติไม่รักษาความสงบไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีสติสามที่เราจะรักษาความสงบไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเป็นธรรมชาติของใจไปมีสติควบคู่กับใจไปตลอด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 จันโทปนาราโสยทามนิโชตอราโสยทัสภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโครินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตารโธรรมาวทานติ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 เอพอหอมปากอหอมคอแล้วเข้าเรื่องเลยคือว่าเออบังเอิญอันนี้เป็นของจริงนะคะก็คือว่าบังเอิญมอีอยู่วันหนึ่งได้ยินคนเขาพูดเขาพูดว่าเขาพิจารณาย่างนี้แต่ปรกากฏหรอกเฮ้ยนี่มันเป็นคำพูดของเราทั้งหมดเลยที่เราพูดกับเขาเมื่อวันก่อนนี่นะเสร็จปุ๊บขณะที่เกิดเนี่ยพระอาจารย์ใจมันเกิดขึ้นมันเป็นปฏิกิริยา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 ถ้าโทสะมันก็มันก็หลักมันก็แรงมันก็คลื่นเป็นลมเป็นเป็นคลื่นเป็นภูเขาไฟมันก็เป็นโทสะอาถ้ามันแบบอ่าหงุดหงิดก็เรียกว่าปฏิกาแต่มันก็ตัวเดียวกันอ่ะเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน อ, อ่คือต้องไม่มีต้องอุเบกขาตลอดเวลาใครก็จะเอาคำพูดของใครนี่เราก็คำพูดพระพุทธเจ้ามาพูดแทนพระพุทธเจ้าท่านโมโหเลย แม้เราเป็นยังไงเราของเราวิเศษขนาดไหนท่นี้เหรออยากตรงจุดเนี่ยค่ะว่าจาะทําให้เราเห็นนะหนูเห็นน่ะอาการของความหวงของของเราแม่จะต้งเป็นความคิดของของเราถ้ามีของของเราแสดงว่ามันต้องมีตัวเราแต่หนูอ่ะไม่สามารถเห็นตัวเราได้หนูเห็นแต่ของของเรามันไม่มีเหรอมันถึงมองไม่เห็นไง ตัวเราเป็นเพียงสมมติเราสมมติขึ้นมาจากตัวรู้ตัวความคิดปรุงแต่งแค่นั้นเองคิดแล้วก็ไปยึดติด ก, กับความคิดนั้นๆสิ่งนั้นๆถึงต้องมาแก้ด้วยสติด้วยปัญญาคอยสอนอยู่เรื่อยๆคอยปล่อยอยู่เรื่อยๆเอาไปมันก็จะปล่อยได้มันเป็นการฝึกหัดนิดสัยใหม่ นิสัยที่เค ย, ยึดติดก็มาเปลี่ยนเป็นนิสัยที่ปล่อยวางยึดติดก็จะทุกข์ปล่อยวางก็จะสบายจะสุขหมอคะจริงๆจะถามต่อว่าลักษณะกิเลสแบบนี้จะต้องจัดการยังไงกับมันทีนี้อาจารย์ตอบมาแล้วอ่าก็ต้องคอยดูใจอืใจเป็นผู้ผลิตตัวตนขึ้นมา าการนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะออลูกขอความเมตตาขออุบายในการออภาวนาในขณะที่มีเวทนามากแล้วถึงวารสุดท้ายของของขอ ง, ของชีวิตเจ้าค่ะว่าภาวนาอย่างไรที่จะจิตไม่ตกลงไปอบายาภูมิเจ้าวิธีแก่ทุกเวทนาก็มีสองระดับระดับสมถะ ภ, ภาวนา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 ไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปไม่มีความอยากให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเราทำใจของเราให้เป็นกลางเหมือนกับเรารยอมรับกับการขึ้นของพาทิศกับการตกของพาทิ์เราผาทิตขึ้นเราก็รับได้ผ้าทิตตกเราก็รับได้ฉันใดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเราก็รับมันได้ทุกขเวทนาหายไปเราก็รับมันได้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 ไม่สามารถนั่งต่อไปได้พยายามฝืนนั่งต่อไปก็ไม่เกิดความสงบขึ้นเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะและจะแก้ไขได้อย่างไรเจ้าคะความโมโหฉุนเฉียวนี่ท่านเรียกว่านิวรน<ม>เป็นอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งมีเป็นมีห้าอุการด้วยกันที่พนักนั่งสมาธิทำใจสงบนี้จะมากจะประสบ คือหนึ่งความโกรธความฉุนเฉียวสองความนังเลสงสัยสามความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดโวดตาพระกามฉันทะเนี่ยี่มีอะไรไม่ไมออกอความง่วงเหงาเหานอนห้า 5. ความฟุ้งซ่านนี่จะเป็นสิ่งที่จะมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่บำเพ็ญสมถะภาวนา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 อยาสงบมากสงบน้อยนี่ก็อยู่ที่สติของเราไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราเหะน้เราต้องระมัตระวังบงทีเวลาเรานั่งแล้วเกิดความอยากให้มันสงบแล้วเราไม่สนใจกับการบริกรรมพุทโธอย่างแท้จริงบริกรรมได้เพียงไม่กี่คำแล้วก็มาดูผลละเอ้ทาไมไม่สงบสถทีเกิดการปุงแต่งเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ยิ่งทาให้ใจฟุ้งซ่านไม่สงบเพ่มากขึ้นไปใหญ่ แล้เราต้องศึกษาวิเคราะห์ดูปัญหาของเราว่ามันเหตุที่ทําให้เราหงุดหงิดลาคาญใจนี้มันมาจากอะไรถ้าหาไม่ได้ก็ใช้วิธีบริกรรมพุทโธไปใช้การเจริญสติแก้ไปก่อนชั่วคราวไปก่อนถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่นานห้านาทีสิบนาทีความหงุดหงิดลาคาญใจมันก็จะหายไป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 เพื่อความสุขความเจริญความก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด